ห น, นังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นเป็นการรวบรวมประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ที่มีความเคารพเทิดทูนศรัทธาเลื่อมใสต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนพระอระหันต์ผู้มีเมตตาต่อทุกชีวิตในทั้งสมแดนโลกธาตุองค์ผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมีของผู้ทรงศรีลกระจ่างชัด โดยไม่ต้องสงสัยแต่ประการใดองค์หลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเพียรอบรมสั่งสอนแสดงธรรมะขององค์สมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดา ข, ของพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพนอบน้อมเพื่อให้ทุกคนได้ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติด้วยยาณวิถีของท่านด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นศรัทธานในคำสั่งสอนของพระพุท ธ, ธองค์ ให้ประจักษ์แก่บรรดาสิทธ์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างแม้องค์หลวงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ปฏิบัติรับใช้ท่านท่านก็กล่าวถึงด้วยความเคารพนอบน้อมสรรเสริญและสำนึกในความเมตตาของท่านมาโดยตลอดบรรดาศิทธ์ทั้งหลายได้ให้ความเคารพเทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์นำคำสั่งสอนของท่านไปปฏิบัติยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้มีโอกาสประสบกับตัวเองในเมตตาบา ร, รมีของท่านที่แผ่ภัยสารคุ้มครองปกป้องให้ปลอดภัยรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆเป็นแนวทางให้ประพฤติและปฏิบัติชอบในศีลสมาธิก่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตทั้งกับตัวเองครอบครัวตลอดจนลูกหลานและบริวาร บันทึกนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคคลต่างๆที่มีความเคารพนับถือในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ได้บันทึกความทรงจําหรือสิ่งที่เข้าหล่อนั้นได้ประสบกับตัวเอง <ๆ S 1> เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ถึงความเมตตาของท่านที่มีต่อ บ, บรรดาสิทธิ์ที่ยึดถือท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นำทางชีวิตให้อยู่ในศีลในธรรมมีสติในการดํารงชีวิตเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังนํามาพิจารณาแล้วนาไปปฏิบัติ ให้เห็นแสงสว่างของชีวิตมีบางท่านที่ไม่สามารถบันทึกด้วยตนเองได้ก็ได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวมาร่วมด้วยเพื่อแบ่งปันเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นส่วนท่านที่มีความเห็นแตกต่างคือเห็นว่าไม่ควรนําเรื่องราวเหล่านี้ออกเผยพแพร่ต่อสาธารณชนเพราะจะเป็นการลบหลู่พ่อแม่ครูอาจารย์นั้นผมเคารพในความเห็นของท่านแต่ยังยืนยันในความตั้งใจของผม เราะผมมีเจตนาที่จะยกย่องเทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์ผมมีความเคารพนับถือองค์ท่านเช่นเดียวกันกับพวกท่านจึงต้องการนำประสบการณ์ที่แต่ละคนได้สัมผัสและรับรู้มาเผยแพร่ให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสใกล้ชิด ก, กับพ่อแม่ครูอาจารย์ได้รับรู้และพิจารณาด้วยตนเองผมไม่ต้องการให้ท่านได้เชื่อในสิ่งที่ท่านได้อ่านหรือฟังไม่ต้องการให้ท่านหลงไหลไปกับความศรัทธาของผู้บอกเล่าหรือผู้เขียน แต่บันทึกฉบับนี้ต้องการเพียงเพื่อให้ท่านได้ใช้ดุลยพินิษ์ตามภูมิปัญญาของท่านพินิษ์พิเคราะห์พิจารณาตามพื้นฐานความเชื่อความศรัทธาและประสบการณ์ของแต่ละคนผมและคณะผู้จัดทมไม่สามารถจะพารนาความศรัทธาที่มีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนให้ท่านได้รับทราบอย่างที่เราต้องการได้ เนื่องด้วยเมตตาบารมีของท่านสูงส่งเกินกว่าที่ผมจะสรรหาคาใดๆที่เหมาะสมแก่พระเดชพระคุณบุญบารมีขององค์ท่านได้พ่อแม่ครูอาจารย์เปรียบเสมือนจุดแสงแห่งธรรมที่มองเห็นได้แต่ไกลอยู่ที่ว่าใครจะน้อมนำจุดแสงแห่งธรรมของท่านมาให้ความอบอุ่นให้พลังและความสว่างแก่ชีวิตเพียงใดขอความกรุณาท่านอย่าได้ทาตนเป็นขุนเขาสูงใหญ่ บทบางแสงธรรมขององค์ท่านที่ศาสต่องให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ทั้งหลายที่ต้องการผู้ชี้นําทางสู่ความสุขของชีวิตที่แท้จริงบันทึกนี้ต้องการจาเลิกไว้ในความทรงจําของชีวิตว่าเกิดมาในภพชาตินี้มีบุญที่ได้กราพระผู้มีความบริสุทธิ์เป็นพระอริยสงฆ์ผู้นําทางชีวิต ขอให้ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณของท่านพิจารณาบันทึกนี้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางนำแสงสว่างแก่ชีวิตให้เกิดศีลสมาธิและปัญญาจึงนับได้ว่าเป็นบุญของท่านที่ได้พบและดำเนินตามรอยองค์ท่านเช่นเดียวกับผมและคณะเพราะเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันลงชื่อคุณหลวงและคณะผู้จัดทม บทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโชในสายธานแห่งการว้วยวนผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนชั้นเรื่อยมาขึ้นขึ้นลงลงเปรียบดังดอกบัวนั้นหนากว่าจะล่อพ้นมา อยู่เนื้อทารางดงามมีพระหนึ่งเป็นยอดคนไหว้ ว, วนพ้นไปจัด ก, การว่ายเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์ เป็นพระอริยสงมหาบุรุษหนึ่งเดียวพระมหาบัวศูนย์รวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้องบูชา